ดูก้อนชีวิตของเราเป็นก้อนกำรกร้อนใหญ่เอาแค่ร่างกายของเราเนี่ยมาเดินดูไม่ให้ไปไกลกว่านั้นนะครับไม่ออกไปนอกพวกสิบเซนที่มีความสามารถทางจิตในระดับสูงแล้วมาอยู่ในห้องนี้ไม่ต้องส่องออกไปดูเรื่องคนอื่นส่องดูกายใจตัวเองและสัปดาห์ครึ่ง น, นี้ ให้รู้ว่าร่างกายคือก้อนทุกข์ที่เดินได้กล้ามองตรงตรงไม่ล่ะหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ง่วงก็ทุกข์นอนจนเมินก็ทุกข์เจ็บปวดเมื่อยเหนื่อหนะตัวโล่งโจ่งอะไรแทุกข์หมดแนวกำลังปนเปนื้อก้อนทุกข์ เปริรก้อนทุกลูกก็คือก้อนทุกก้อนน้อยๆที่เป็นสายโยงใหญ่ออกจากก้อนทุกหลักของเราเราไปบนเปริรก้อนทุกอีกชุดทุกหนึ่งที่ใจเราไปยึดเองเรียกยึดครับมาลูกที่เมื่อก่อนก็ไม่มีนะ นะเรามาวิจัยเชื่อโรค ก, กันตอนนี้นี่ยังไม่ให้เห็นตัวเชื้อโรคหรอกแต่ให้เห็นอาการเจ็บป่วยคุณเป็นไข้หวัดใหญ่อาการคือหนึ่งมีน้ำมูกไหลคุณยอมรับไหมว่ามีน้ำมูกสองตัวร้อนยอมรับไหมว่าตัวร้อนนะครับสามไอยอมรับไหมว่าไอเห็นไหมฮะสี่เจ็บคอยอมรับไหมว่าเจ็บคอผมให้คุณเห็นอาการนะเห็นอาการเรียกว่าทุกขอาการ ผมยังไม่คุณดูตัวเชือ้ออย่าลัดขั้นตอนทำไปเน้นๆแน่นๆไปทีละสเต็ปเอาชัดๆก่อนนะเอาชัดๆก่อนเห็นอาการของโรคเป็นหมอใหม่คุณไม่ต้องส่งลับเพื่อเอาสปูตุม้มเอาเสมหาไปตรวจเชือ้อไม่ต้องคุณดูก่อนโอเคมาฮะคุณด้วยไข้หวัดใหญ่หนึ่งตัวร้อนจีเลยคออักเสบ ในน้ำมูกคัดจมูกไอนะครับนะพบหลายอย่างเลยเนี่ยให้ดูแค่เนี่ยให้ดูแค่อาการของโรคยังไม่ให้ดูตัวเชื้อ